238ปาริวาสิกาธิกระถาว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นต้นเรื่องสงมีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่สทำสังฆกรรมไม่ได้และสงมีภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นเป็นที่20อับพาลไม่ได้393 ภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่สพึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดสงมีภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นเป็นที่สิบอัพพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้าสง์มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเป็นที่สี่ พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดสงมีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมนั้นเป็นที่ยี่สิบอัพพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้ควรมานัดเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัด สงมีภิกษุผู้ควรมานัตนั้นเป็นที่ยี่สิบอัพพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้อยู่ประพฤตมานัตเป็นที่สีพึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัตสงมีภิกษุผู้ประพฤตมานัตนั้นเป็นที่ยี่สิบ อัพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทมภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้ควรอับภานเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดสงมีภิกษุผู้ควรอับภานนั้นเป็นที่ยี่สิบอับพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทม